ชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระธรรมปิฎกปออปยุตโตตอนที่11บอพูดถึงเรื่องพิธีกรรมก็ถือว่าจบอันนี้เรื่องพิธีกรรมก็เป็นเรื่องรูปแบบอย่างที่ว่ามาแล้วเป็นด้านรู ป, ปรธรรมที่มาสื่อนามธรรมสื่อหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า ทีนี้เรื่องรูปธรรมนี่นอกจากพิธีกรรมที่เป็นด้านกิจกรรมแล้วยังมีที่เป็นรูปธรรมชัดยิ่งกว่ากิจกรรมอีกคืออะไรก็คือสิ่งที่เป็นวัตถุโดยตรงในเมื่อพูดถึงเรื่องพิธีกรรมที่เป็นกิจกรรมที่เป็นด้านรูปธรรมส่วนหนึ่งแล้วก็พูดเรื่องรูปธรรมต่อไปเลยรูปธรรม ที่สื่อธรรมะหรือสื่อนามธรรมแล้วก็เป็นด้านวัตถุเลยเนี่ยคืออะไรก็คืออย่างที่เราเรียกกันปัจจุบันว่าวัตถุมงคลคำว่าวัตถุมงคลนี่ก็เป็นคำที่ค่อนข้างใหม่ก็แปลกเหมือนกันใครเป็นคนคิดบัญญัติขึ้นมาสมัยก่อนนี่จะไม่ได้ยินจะพูดกันว่าเครื่องรางของขลังไง แล้วก็เครื่องรางของขลังก็จะมีเยอะแยะไปหมดแต่ว่าที่เด่นมากก็คือพระเครื่องพระเครื่องนี่ก็เป็นสําคัญนี่ปัจจุบันคนก็จะมีทัศนะต่อเรื่องพระเครื่องแล้วก็เครื่องรางของขลังอย่างอื่นที่ปัจจุบันนี้เรียกรวมว่าวัตถุมงคลเนี่ยก็มักจะมีเป็นสองฝ่ายเลย ฝ่ายหนึ่งก็คือว่าเอาจริงเอาจังถือเป็นเรื่องสำคัญถือเป็นเรื่องสิ่งที่จะช่วยคุ้มครองให้โชคให้ลาบอะไรต่างๆบรรดาญผลสำเร็จที่ต้องการอีกพวกหนึ่งก็ติเตียนคัดคานแต่ก็ยังมีพวกที่สามก็ให้รู้จักใช้ประโยชน์แต่ว่าจะหนักไปสองฝ่าย ที่สุดขั้วสองด้านเนี่ยมากนี่เรื่องวัตถุมงคลโดยเฉพาะพระเครื่องเนี่ยก็มีมาแต่โบราณเก่าแก่มากในการที่จะคิดเรื่องนี้เราน่าจะได้ศึกษาคนโบราณด้วยถ้าเราบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องถ้าเรามองเป็นว่า สิ่งเหล่านี้ไม่ดีเลยเป็นโทษนะก็เท่ากับ ว, ว่าติเตียนคนโบราณโดยส่วนเดียวว่าคนโบราณเหล่านั้นถือผิดหรือโง่เขลาเราก็น่าจะพิจารณาศึกษาท่านเพื่อมองหาความจริงก็ไม่ใช่หมายความว่าจะเป็นนิยมยกย่องคนโบราณหรือก็ไม่ใช่ว่าตั้งตาจะตําหนิเท่านั้นนะแต่ว่าหาความเข้าใจ เนาการหาความเข้าใจหนึ่งเราก็ดูความเป็นมาเท่าที่เราจะหาได้แล้วก็สองเรามีหลักการของพุทธศาสนาที่จะใช้วัดเทียบอยู่แล้วจะไปศึกษาท่านอย่างเดียวก็ไม่ถูกหลักการของพุทธศาสนานี่เรามีคำภีร์ที่จะรึกพุทธพจน์ไว้โดยเฉพาะพระไตรปิฎกเนี่ยก็ทําให้เราสามารถเข้าไปมองดูหลักการได้เลยนะ า ก, การศึกษาสองด้านนี้จะทําให้เราสามารถมาพิจารณามาคิดมาวางแนวอะไรต่างๆได้ดีขึ้นอันนี้เรื่องของพระเครื่องก่อนพระเครื่องนี่มีมากแล้วก็มีความสําคัญเหนือกว่าวัตถุมงคลอย่างอื่นสำหรับชาวพุทธแล้วถ้าเรามองดูในแง่โบราณคดี <c oughs> ก็จะเห็นว่ามีมากมายในสมัยก่อนนั้น สำหรับชาวพุทธแล้วแทบจะไม่มี เ, เรื่องวัตถุมงคลอื่ น, นคือว่าเรื่องพระนี่จะเด่นมากแล้วพระเครื่องนี่พระที่ทำสมัยก่อนเราอาจจะเรียกว่าพระพิมพ์ใหญ่กว่พระเครื่ององค์เล็กๆก็มีมีทั้งทุกขนาดขนาดเล็กๆก็มีขนาดใหญ่โตมากก็มีนะฮะนี่ความเป็นมาแต่เดิมนี่ก็เป็นแบบพระพุทธรูป ก็หมายความาพระพุทธรูปก็ทาในขนาดต่างๆความมุ่งหมายเดิมก็เราก็จะเห็นว่าโอ้เป็นที่ระลึกแทนองค์พระพุทธเจ้าแต่เดิมทีเดียวตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วคนนับถือพุทธศาสนาสำหรับรพุตรชนก็ย่อมมีศรัทธาเริ่มต้นก็ศรัทธาในองค์พระพุทธเจ้า เมื่อศรัทธาแล้วเนี่ยความศรัทธานี่จะมีความรู้สึกผูกพันนะหรือกระทั่งเป็นความรักนะอย่างหลายๆท่านจะรักพระพุทธเจ้ามากอย่างพระเจ้าประสเนธนทิโกศลรักเหลือเกินนะและยังมีเศรษฐีอายุมากคู่หนึ่งชื่อนักุลปิตานักุลมาดา แก่มากแล้วรักพระพุทธเจ้าเหมือนลูกก็มีความสนิทสนมมากกับพระพุทธเจ้าแม้พระพุทธเจ้าจะตรัสเสมอว่าอย่ามาติดในตัวบุคคลอันนี้ก็เพื่อจะให้เตือนสติคือว่าอย่าให้กลายเป็นว่ามาติดอยู่แค่นี้เพราะว่าวัตถุประสงค์ของพุทธศาสนานั้นต้องการจะให้คนได้หลุดพ้นเป็นอิสระพึ่งตนเองได้พระพุทธเจ้าก็มาช่วยเป็นการยาณมิตร แต่บางทีก็มาติดในกาลยานามิตรเสียแต่ถึงยังไงก็ตามเราก็ยอมรับว่าในระดับหนึ่งก็เป็นประโยชน์ทําให้มาเอาใจใส่โน้มจิตเข้ามาสู่ธรรมะได้มาศึกษาจริงจังมาเชื่อฟังฟั ง, ฟงตามฟังคําสอนแล้วก็จะเป็นทางให้เดินหน้าไปได้อันนี้ความเป็นกัรลยาณมิตรที่ผูกกันไว้ด้วยศรัทธาก็เป็นประโยชน์อย่างเนี้ยเป็นเครื่องนําไปสู่จุดหมายที่สูงขึ้นไปให้เกิดปัญญาแล้วก็หลุดพ้น แล้วก็เป็นแต่เพียงว่าต้องคอยระวังคอยเตือนอย่าให้มาติดอยู่แค่นี้ไม่ใหลงนะนั้นพระพุทธเจ้าก็เตือนไว้แต่ไม่ใช่หมายความว่าไม่ให้มีศรัทธาศรัทธาเป็นตัวสําคัญที่จะช่วยเป็นตัวนําในเบื้องตน้นะเพื่อจะให้เดินหน้าได้มีพลังมีกําลังทําให้เอาจริงเอาจังด้วยอันนี้ความผูกพันความศรัทธาต่างๆเหล่าเนี้ก็ทําให้ อยากจะอยู่ใกล้ชิดและเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปไหนห่างไกลท่านเหล่านี้ก็จะระลึกถึงนะแล้วก็อยากจะมีอะไรเป็นองค์แทนที่ระลึกใช่อ่าก็เลยมีเหตุการณ์เช่นอย่างอนาถวินิกระเศรษฐีเมื่อพระพุทธเจ้าบางครั้งก็เสด็จไปที่อื่น ก็อยากจะมีอะไรเป็นที่ระลึกแทนองค์พระพุทธเจ้าได้มาเห็นทุกวันทุกวั น, นเหมือนก็นได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็เลยได้ขอพระอานุ น, นว่าอะไรไว้เป็นสิ่งที่แทนองค์พระพุทธเจ้าเป็นที่ระลึกก็เลยได้ปลูกต้นโพขึ้นต้นหนึ่งที่พระเชตวั น, นต้นโพต้นนี้ เวลาพระพุทธเจ้าไม่อยู่ธานานาธบดีเกษตรถีก็ได้มาคอยบำรุงรักษาดูแลได้รู้สึกเหมือนกับว่าอยู่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าก็เรียกชื่อต้นโพนี่ว่าต้นโพอานันทโพธิต้นโพของพระอานนท์นี่อย่างนี้เป็นต้นแม้แต่พระอานนท์เองก็มีความรักพระพุทธเจ้ามากจนกระทั่งก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้พระอานนท์ในตรัสรู้ชา เพาความติดความผูกพันเนี่ยแล้วก็คติโบราณก็มีอยู่ว่าอย่างท่านที่ทำความดีหรือเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนว่าท่านจากไปแล้วก็จะเก็บสิ่งของที่เกี่ยวกับตัวท่านนั้นไว้เป็นตัวแทนไว้เป็นที่ระลึกโดยเฉพาะก็คืออัฐิใช่ไหสำหรับพระพุทธเจ้าเราก็เรียกว่าพระ บรมสารีริกธาตคตินี้มามีมาแต่โบราณครับเป็นคติของการสร้างสถูปคือเมื่อท่านที่เคารพนักถือลงรับไปก็เอาอัฐิของท่านมาเก็บไว้แล้วก็บริจุไว้สร้างสถูปบรรจุไว้โดยปกติก็จะสร้างไว้ตามทางสี่แพร่งหมายความว่ามันเป็นจุดที่คนเนี่ยเดินมา พบปะได้พบเห็นอยู่เสมอก็จะได้กราบไหว้บูชาเป็นที่ระลึกเตือนใจเราให้นึกถึงท่านที่เคารพบูชานั้นแล้วจิตใจจะได้โน้มไปสู่ความดีความงามไปด้วยแล้วเจ้าหรับพระพุทธศาสนาก็เป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกถึงคําสอนของพระองค์คือเมื่อนึกถึงพระองค์แล้วก็นึกถึงคําสอนของพระองค์ด้วยแล้วก็นึกถึงคําเตือนของพระองค์ให้เรามั่นอยู่ในคุณธรรมคุณธรรมความดีงามใช่ไหมในคติเรื่องสร้างสถูปบรรจุ ที่เราเรียกว่าพระธาตุนี่ก็มีมาต่ก่อนเพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วก็จึงมีเรื่องแม้แต่ในพระใจบิดดกที่ว่ากษัตริย์เมืองต่างๆก็ส่งทูตมาขอพระบรมสารีริกธาตุเพื่อจะบรรจุไว้แทนพระองค์ในเมืองของตนของตนเป็นที่สักการะคารบบูชาของประชาชนนี่เป็นคติโบราณที่นอกนอกจากพระอทาทิตธาตุพระสรีระ ของพระองค์แล้วพระศรีรธาตของพระองค์แล้วนี่แม้แต่สิ่งที่พระองค์ทรงใช้นะเคยไปประทับที่ไหนนะีคนก็จะเอาสถานที่นั้นเป็นที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ตรัสว่าเออสถานที่สี่แห่งต่อไปนี้นะเป็นสังเวชนีสถานเป็นสถานที่ที่เป็นที่ตั้งแห่งความสังเวชสังเวชหมายความว่าเป็นเครื่อง เตือนใจให้เกิดพลังสังเวชนี่ภาษาไทยสมัยหลังนี่เข้าใจผิดสังเวชได้กลายเป็นสลดหดหูสลดหดหูผมก็เป็นอกุศลสิท่าเรียกว่าเป็นนิวร์ผิดสังเวชสังเวชะเนี่ยมาจากคานามว่าสังเวคะเวชะแปลว่าพลังสังแปลว่าพลังพร้อมขึ้นมาพอนึกถึงพระพุทธเจ้าก็เกิดพลังพลังพร้อมขึ้นมา ไปเห็นสถานที่ที่พระองค์เคยทรงประทับเคยประทับมาก่อนก็คือที่เกี่ยวข้องกับพระองค์เริ่มตั้งแต่ที่ประสูติที่ลุมพินีวันแล้วก็ที่ตรัสรู้ที่พุทธคยาโดยเฉพาะที่ต้นโพซึ่งเดี๋ยวนี้โพที่พุทธคยาก็ไม่ใช่ต้นเดิมแล้วก็ที่ประนิปที่แสดงปฐมเทศนา ที่ปาอิสิปตนมฤุกขายาวันแล้วก็ที่ปรินิพานที่กุศินาราอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้เองว่าเนี่ยเป็นที่ที่ชาวพุทธเนี่ยควรจะได้เห็นได้ดูแล้วก็จะได้เตือนใจให้ระลึกถึงว่าพระพุทธเจ้าของเราเคยเสด็จมาอยู่ที่นี้เคยใช้สถานที่นี้แล้วก็จะได้เตือนใจเนี่ยให้นึกถึงพระองค์และคําสอนของพระองค์ เป็นประโยชน์กับตัวเขาเองจิตใจก็จะได้น้อมเข้าไปสู่กุศลธรรมนะีอันนี้เรียกว่าสังเวชนียสถานอย่างที่กล่าวแล้วว่าคําว่าสังเวคนะนั้นแปลว่าเกิดกําลังพลั่งพร้อมขึ้นมาไม่ใช่หมายความว่าสลดหดหูใจนะีปลุกใจนั่นเองเป็นที่ที่ปลุกใจเราจะได้นึกถึงมีกําลังใจที่จะปฏิบัติทำคําสอนของพระพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปเห็นแล้วเกิดปีติอิ่มใจนี่พระพุทธเจ้า เคยอยู่ตรงนี้เราได้มาเห็นแล้วโดยตนเองนะต่อไปนี้ตั้งใจเราจะปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ให้เต็มที่อะไรต่งตางๆนะเคยตกอยู่ในความประมาทตอนนี้จะไม่ประมาทแล้วอะไรนี่นะเนี่ยนี่สังเวชชนีสถานแม้แต่สถานที่แล้วก็สิ่งที่พระองค์เคยใช้สอยอาจจะเป็นบาทหรือเป็นอะไรก็แล้แต่นะก็ถือว่าเป็น เครื่องระลึกแทนพระองค์มวลการสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนี่ท่านใช้คาว่าเจดีย์นแล้วก็เลยแบ่งพุทธเจดีย์เจดีย์ที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้านี่เป็นสี่อย่างในคำภีรุนหลังๆก็จะจัดออกมาว่าเออเจดีย์นี่สิ่งที่เตือนใจระลึกถึงองค์พระพุทธเจ้าสำหรับชาวพุทธแล้นะมีสี่ประเภทหนึ่งทาตุเจดีย์เจดีย์ที่บรรจุพระาธาตนะุคือพระอัทิตของพระองค์ ก็ได้แก่พระสถุกต่างๆแล้วก็สองธรรมเจดีเจดีบรรจุพระธรรมคำสอนนะก็เอาคำพีนะเช่นบรรจุจารึกปฏิจจสมุปบาทเยธรมาเหตุปปภาวานี้ไปบรรจุไว้อันนี้ก็เป็นเจดีประเภทหนึ่งเตือนใจระลึกถึง ธรรมะโดยตรงเลยคําสอนของพระพุทธเจ้าเมาื่อราลึกถึงคําสอนของพระองค์ก็คือเราลึกถึงว่าพระองค์สอนว่าอย่างไรก็โยงไปหาพระพุทธเจ้าด้วยแล้วก็ต่อไปก็บริโภคเจดีเนีบริโภคเจดีเจดีก็คือเจดีได้แก่สิ่งที่พระพุทธเจ้าเคยทรงใช้สอยแม้แต่สถานที่เนี่ยย่งสังเวชนียสถานทั้ง4ี่เนี่ย เป็นบริโภคขจจดีหมดบริโภคไม่ใช่หมายความว่า จ, จะต้องเอามาฉันบริโภคก็คือในภาษาบาลีหมายถึงเคยใช้สอยนะสถานที่นั้นพระพุทธเจ้าใช้มาแล้วไปสิปตนาบริกัตทายาวันนะอ้าวแล้วเจดีย์อีกอย่างอะไรลืมไปแล้วใครนึกออกบ้างนะเนี่ยไม่ได้ทันเตรียมนะฮะ อ, อุเทศิกเจดีย์เจดีย์ที่สร้างเพื่อ อุทิศหรือหมายถึงว่าเจาะจงเป็นเครื่องหมายถึงพระพุทธเจ้าก็ได้แก่พระพุทธรูปนี่นะเป็นประเภทที่สี่อุเทสิกเจดีอันนี้อุเทศิกเจดีคือพระพุทธรูปเนี่ยเกิดหลังสุดเพราะวัาสมัยก่อนนี่เขามีคติว่าท่านที่เคารพนับถือสูงสุดเนี่ย ไม่กล้าแม้จะทำรูปแทนเพราะมีความเคารพมากไปทำรูปแทนแล้วรู้สึกว่าไม่เคารพเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีพระพุทธรูปเห็นได้ชัดก็คือสมัยพระเจ้ า, าโศกมหาราชซึ่งหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วตั้งสองร้อยกว่าปีพระเจ้ า, าโศกมหาราชนี่นับถือพระพุทธเจ้าและอุปถัมภ์บำรุง พระพุทธศาสนาอย่างยิ่งแล้วก็ได้สร้างสิ่งที่เป็นหลักเป็นฐานไว้เป็นฐานววัตถุโดยใช้หินใช้ศิลาเพราะฉะนั้นโบราณวัตถุยุคพระเจ้ า, าโทรงจึงเหลือมามากอย่างยิ่งเลยที่เรารู้จักพุทธศาสนาในอินเดียยุคหลังที่มาขุดค้นกันได้ก็เพราะไปเจอของพระเจ้ า, าโศกงนี่แหละ ถ้าเป็นยุคอื่นๆนี่สร้างด้วยไม้อะไรต่างๆหมดไม่มีเหลือพระเจ้าโศกนี่ใช้ศิลาเพราะนั้นก็เลยมีหลักฐานเหลือมาเยอะแยะหมดเลยเป็นยุคพระเจ้าโศกเช่นศิลาจารึกเป็นต้นทั้งหลักเสาศิลาทั้งที่สเป็นจารึกบนโขดหินแผ่นหินอันนี้พระเจ้าโศกเคารวพระพุทธเจ้ามากก็ทํารูปภาพ แกะสลักในศิลาไว้เป็นพุทธประวัติพระพุทธเจ้าประสูติจารุ ป, ปรินิพานก็มีรูปหมดแต่ว่าในเหตุการณ์เหล่านั้นไม่มีองค์พระพุทธเจ้าอยู่ว่างแล้วก็พยายามคิดสั ญ, ญลักษณ์เป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าอ้อนี่คือเหตุการณ์ตอนนั้นใช่ไหมอย่างถ้าเป็นเหตุการณ์ตอนประสูติก็จะมีพระนางมายา โหนกิ่งโหนกิ่งไม้เนีหนกิ่งสาละอย่างนี้ก็อ้าวคนดูก็รู้อ้อนี่เป็นตอนประสูติใช่ไหมหรือเห็นดอกบัวรองรับเหมือนกับเป็นที่ที่จเยียบไปเจ็เก้าเห็นดอกบัวนี้คนก็รู้อ้อนี่คือพระพุทธเจ้าประสูติแต่ไม่ทําองค์ไว้อะไรนี่เนะี่ยทีนี้ตอนตรัสรู้ก็ทําต้นโพไวส้สิมีพัฒน์ใช่ไหมแล้วก็มีรูปอื่นประกอบ ก็รู้ว่าอ๋อนี่คือเหตุการณ์ตอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ปรินิพพานก็มีพระแทน่นใต้ต้นสาระอย่างเงี้ยก็รู้กันนะแสดงปฐมวเทศนาก็มีรูปกวางนะกวางหมอบอยู่ ใ, ใต้พระแทน่นอะไรอย่างเงี้ยนะก็รู้ว่าป่าอิสิปตนะมรุทธายวันเพราะว่าเป็นป่าที่เป็นที่อยู่ของพวกหมัวนเนื้อหมู่กวางนะอย่างนี้เป็นต้น เนี่ยสมัยพระเจ้าโศกก็ยังไม่มีพุทธรูปชัดเจนเลยจนกระทั่งมาถึงประมาณพศห้าใกล้ๆห0ารเนี่ยจึงได้เกิดมีพระพุทธรูปขึ้นมาที่เกิดมีพุทธรูปก็เพราะว่ามีวัฒนธรรมอื่นเข้ามาก็คือพกกรีกกรีกนี่เข้ามาความจริงก็เริ่มเข้ามาตั้งแต่ก่อนพระเจ้าโศกแหละตั้งแต่ยุคปู่พระเจ้าโศก คืออเล็กซานเดอร์มหาราชทุกท่านคงเคยได้ยินชื่ออเล็กซานเดอร์มหาราชนี่เป็นกษัตริย์กรีกที่แมซิโดเนียเป็นผู้ยิ่งใหญ่อย่างยิ่งเลยนะเป็นกษัตริย์หนุ่มที่มีความสามารถมากก็ได้รบชนะในดินแดนต่างๆมาแล้วยกทัพมาทางอินเดียแล้วก็ยกทัพมาจดชายแดนอินเดียกะว่าจะเข้าบุก อินเดียซึ่งเป็นดินแดนที่มีอารยธรรมยิ่งใหญ่ถ้าชนะอินเดียก็อเล็กซานเดอร์มหาราชก็จะยิ่งเกรียงไกรใหญ่เลยก็เตรียมพร้อมแล้วตอนนี้จะเข้าสู่ดินแดนที่มีอำนาจยิ่งใหญ่อีกดินแดนหนึ่งก็ยกทัพมาประชิดชายแดนไว้เตรียมรีพผลไว้ก่อนวางแผนรบนอันนี้ตอนนั้น อาณาจักรมคตกำลังรุ่งเรืองในประเทศอินเดียพวกอาณาจักรเล็กๆน้อยๆและที่เคยยิ่งใหญ่ในสมัยพุทธกาลและตอนนี้หมดเลยลวตกอยู่ใต้อำนาจมาคตมคตตีได้หมดแล้วมคตก็เป็นมหาอำนาจผู้เดียวอันนี้ก็มีชนเผ่าต่างๆหรือว่าพวกกษัตริย์เมืองเล็กๆน้อยๆอยากจะ แย่งอํานาจมาครดโดยเฉพาะมีผู้หนึ่งชื่อว่าจันทรคุบจันทรคุบนี่ก็อยู่ในวงที่บาลีเรีเรยกว่าโมริยะสันสกฤตเรียกว่าเมอริยะเขาก็สืบกันว่าโมริยะนี่ก็คือตระกูลสายพระญาติของพระพุทธเจ้าอาจจะเป็นได้ว่าเป็นพวกที่ถูกกวาดล้างจากแวรนโกศลแวรนโกศนนี่ก็ มีเรื่องเก่าตอนสมัยพุทธกาลต้องเอาไว้เล่าทีหลังนะก็คือเจ้าชายองค์หนึ่งชื่อวิทูตุพะเนี่ยเป็นลูกทาสของกษัตริย์ศากยะที่มีความหงแหนถือตัวในเรื่องวันณะเป็นอย่างยิ่งก็เลยทางกษัตริย์แห่งแคว้นโกศลคือพระเจ้าประสเสนาธิโกศลอยากจะเป็นญาติพระพุทธเจ้านี่ก็เลยไปขอลูก พระราชธิดาของกษัตริย์ศากยะม า, าเป็นชายาเป็นมเหสีอันนี้ทางกษัตริย์ศากยะนี่แหมเป็นเ ผ, ผ่าที่ถือวันนะอย่างยิ่งเลยไม่ยอมแต่ว่าเพราะว่ากโกศลมีอำนาจมากก็เลยต้องหลอกใช้วิธีว่าเอาลูกทาสลูกทาสีเนี่ยไปให้พอลูกทาสีนี่โตขึ้นมาก็ไปเยี่ยมบ้านของตัวเอง แล้วต่อมาก็ถูกเขาแสดงความเหยดยามโดยที่ว่าเขาไม่ได้แสดงต่อหน้าแต่ไปล่วงรู้เข้าก็เลยโกรธและผูกอาฆาตว่าจะต้องล้างเผ่าสักยะพอได้ขึ้นครองราชก็ยกทัพไปล้างเผ่าสักยะเรียกว่าแควสักยะ ก, ก, ก็หมดสิน้นแต่ว่าก็มีผู้ที่หนีไปในบรรดาผู้ที่หนีไปเหล่านี้ยก็ไปอยู่เชิงเขาหิมาลัยความจริงแควสักยะก็อยู่ใกล้กลเชิงหิมาลัยอยู่แล้วก็ลึกเข้าไปทางเชิงเขาหิมาลัย แล้วก็ว่ากันว่าพวกหนึ่งก็คือพวกโมริยะเนี่ยเป็นโมริยะกษัตริย์ก็สืบเชื้อสายต่อกันมาจนถึงจันทรคุปนี่ก็ถือได้ว่าตอนนั้นจันทรคุปก็เป็นหัวหน้าเผ่าที่เป็นสืบเชื้อสายจากกูลกษัตริย์วงเล็กๆวงหนึ่งละนี่จันทรคุป์นี่ก็คิดที่จะแย่งอำนาจของแคว้นมคตจะตั้งตัวเป็นใหญ่ให้ได้ก็ได้พยายามรบ ราสู้ก็ยังไม่สำเร็จทีนี้ก็พอดีตอนนี้อเล็กซานเดอร์มหาราชก็ยกทัพเข้ามาประชิดชายแดนอินเดียและเตรียมที่จะยกทัพเข้าตีแคว้นมคธเป็นเหตุการณ์ยิ่งใหญ่แล้วนะตอนนี้ตอนต ก, กนตะกอนออกกำลังจะเจอกันอันนี้ฝ่ายจันทครคุบนี่ก็กำลังหาทางที่จะขึ้นคลองอานาจอยู่ตอนนี้ความคิดของสองฝ่ายนี้มาบรรจบกัน อเล็กซานเดอร์ก็เลยก็คิดว่าแม้การครั้งนี้ใหญ่โตนักนะถ้าเราได้กำลังจากพวกในถิ่นเดิมของเขาเนี่ยมาช่ว ย, ยก็จะทำให้ทำการได้ง่ายขึ้นก็เลยคิดว่าจะต้องหาพวกเผ่าต่างๆที่อยู่รอบนอกของแคว้นมัคตเนี่ยมาเป็นกำลังใช่แล้วก็เข้าไปตีฝ่ายจันทระคุกก็คิดว่านี่ถ้าเราได้ อเล็กซานเดอร์มาเป็นกําลังนี่เราคงจะตีมาคดได้ง่ายขึ้นนะเมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็เลยมันกลายเป็นว่าความคิดประสานกันได้ใช่ไหมก็เลยมีการนัดพบก็จันทรคุปก็ได้รับนัดว่าให้ไปพบกับพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชที่ค่ายของพระองค์ที่ชายแดนพอไปพบกันขัตติยมานนะอาละศีใครจะแสดงความเคารพก่อน อเล็กซานเดอร์มหาราชก็ถือตัวนี้ฉันกษัตริย์ที่ปราบมาตลอดตั้งแต่กรีกมาจกนกระทั่งถึงชายแดนอินเดียแล้วเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดเกรียงไกรอย่างยิ่งเลยฉนไหนจะมายอมคาระวะแก่พวกชนกษัตริย์ฮุน้าเผาเท่านั้นฝ่ายจันทรคุปก็คิดเช่นเดียวกันเราก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่ชาวท้องถิ่นอินเดียทำฉไหนะจะไปสแสดงคาระวะกับชนพวก มาจากดินแดนภายนอกใช่ั้มไม่ยอมต่างคนต่างไม่แสดงคารวะกันกันก่อนจานะอฝ่ายพระเจ้าเล็กซันเดอร์มารา้ก็ทรงพระพิโรธโกรธกริ้วเป็นอย่างยิ่งเลยสร้างจับจนานธละคุบขังไมตรีก็เลยขาดสบันกลายไปว่าแทนที่จะมาช่วยกันลบก็เลยจบกันทนนั้นเนี่ยก็จนานธระคุบก็ถูกจับ แต่ว่าเรื่องราวมีต่อมาว่าในที่สุดจะจะคุบก้หนีไปได้นะฝ่ายพระเจ้าเล็กซันเดอร์มหาราชก็ต่อมาไม่ทราบว่ดเหตุใดเหตุหนึ่งก็เลิกทับกลับกรีกนะไม่ลบโตโ ง, งไม่เข้าตีอินเดียอันนี้เมื่อกลับก็เลยให้แม่ทัพในกองที่ได้ตามมานั้นนะ่ะครองดินแดนที่ได้รบชนะไปแล้วมาถึงชายแดนอินเดีย ก็เลยมีพวกกษัตริย์กรีกที่เป็นแม่ทัพเก่าๆนะครองดินแดนเหล่านั้นอยู่ชายแดนอินเดียแล้วพระเจ้าเลซานเดอร์เองก็กลับทางเรือแล้วไปสวรรคตกลางทางอันนี้จันทรคุบต่อมาก็เข้าตีมาคตได้ด้วยตนเองนะก็มีเรื่องราวยาวต้องเล่ากันทีหลังนะมีการที่ตอนแรกแพ้ จะเอาชีวิตไม่รอดเราไปได้อุบายจากยายแก่อะไรเนี่ยนะหนีกระสารแตกซอกซอนหลบลี้ไปแล้วไปได้ยินเสียงยายแก่พูดด่าหลานอะไรเนี่ยก็เลยได้ความคิดนะแล้วก็ใช้ยุทธวิธีใหม่แล้วเข้าตีแคว้นมคตได้สำเร็จก็ตั้งตัวเป็นกษัตริยนะ์ก็ตั้งราชวงศ์โมริยะหรือเมาริยะขึ้นมานะ เป็นกษัตริย์องค์แรกของราชวงศ์นี้ก็เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มากเพราะมาโคตใหญ่อยู่แล้วใครขึ้นครองมาโคตก็ยิ่งใหญ่ที่สุดแหลนะเนี่นจันทรคุปก็มีพระราชรสพระนามว่าพระเจ้าพินทุสานไม่ใช่พิมนะพิสาลนะพิมพิสาลน่นสมัยพุทธกาลนี่พินทุสานลูกเป็นโอรสของพระเจ้าจันทรคุปแล้วพินทุสานก็มีโอรสเยอะแยะโอรสเหล่านี้ก็ร้อยประมาณหนึ่งร้ยร้อยเศษก็ มีพระองค์หนึ่งชื่อพระเจ้าชายอโศกพระเจ้าพินทุสารก็ส่งไปเป็นอุปราชคลองแคนดุจอาวันตีก็พอพระเจ้าพินทุสารสวรรคตอโศกนี่ดุร้ายมากไร้ากาศมากก็บุกฆ่าพี่น้องหมดเพื่อจะขึ้นครองราชพูดเดียว เ, ยเหลือไว้แต่น้องร่วม ร่วมคันมนดาองค์เดียวนนอกนั้นข้าหมดแล้วเสร็จแล้วพอขึ้นครองรางก็ยกทัพตีบุกแหลกหมด <c oughs> จนกระทั่งมากลับใจมานับถือพุทธศาสนาล่าวนี้ก็เปลี่ยนนโยบายจากสังขามวิชัยชนะด้วยสงรา ม, มาเป็นธรรมวิชัยชนะด้วยธรรมเปลี่ยนจากการลบราค้าฟันมาสร้างสาธารณประโยชน์ สร้างถนนหนทางสร้างโรงพยาบาลคนสร้างโรงพยาบาลสัตว์สร้างวัดวารามให้การศึกษาแก่ประชาชนทำสิลาจารึกให้ศิลาจารึกก็เป็นอุบายให้การศึกษาแก่ประชาชนเพราะสมัยก่อนยังไม่มีกระดาษใช้โทษไปก็ให้ไปเขียนไว้ตามที่ต่างๆให้หัวหน้าหมู่ชนหรือท้องถิ่นเช่นพวกกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเอามาเรียนรู้ไปแล้วไปสั่งสอนบอกแจ้งแก่ประชาชนชาวบ้านอันเนี้ยอ้าวเลยเล่าไปเรื่อง นี่เรื่องพระเจ้าโศกทีนี้พระเจ้าโศกมหาราชก็ครองราชยิ่งใหญ่มากอุปถมบำณุุพุทธศาสนาก็แผ่ขยายไปในแครนข้าพระองค์ก็ไปทั่วหมดอ น, นี้สวรรคตไปแล้วมาถึงอีกช่วงไม่กี่สิบปีนะพวกพราหมณ์ก็ได้ยึดอำนาจจับหลานหรือเหลนพระเจ้าโศกมหาราชนี้ปร่งพระชนเสียนะ ก็ขึ้นตั้งราชวงศ์ใหม่ที่เรียกว่าราชวงศ์สุงขาเป็นราชวงศ์ของวรณพระมก็กําจัดพุทธศาสนาเป็นการใหญ่แต่ว่าราชวงศ์สุงขาไม่สามารถจะครองอํานาจยิ่งใหญ่อย่างพระเจ้าโศกได้แว่นแคว้ร์ตัวเองก็แตกกระจัดกระจายก็เป็นบุญของพุทธศาสนาคือว่าแว่นแครนที่แตกออกไปเหล่านี้ก็ยังรักษาพุทธศาสนาไว้ส่วนถุงสุงขานี่ก็เป็นพรามเขากําจัดเลย นี่ในบรรดาแว่นแควที่แตกออกไปเหล่านั้นก็มีแควที่มาจากกษัตริย์กรีกด้วยจากที่สืบต่อจากแม่แมทัพของอเล็กซานเดอร์ตั้งไว้เนี่ยพวกนี้ก็ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ครองดินแดนนั้นซึ่งต่อมามาอยู่ใต้อำนาจพระเจ้ า, าโศกอพาอพระเจ้าโศกสิ้นแล้วต่อมาสุงคะขึ้นเอาไว้มาอยู่พวกนี้ก็แยกตั้งตัวเป็นใหญ่ขึ้นมานพวกกษัตริย์เหล่านี้ก็มีกษัตริย์วงหนึ่ง นะองหนึ่งต่อมาในระยะพศ .500 ชื่อพระเจ้าเมนันเดอร์เมนันเดอร์นี้เป็นกษัตริย์กรีกที่ว่าสืบเชื้อสายมาจากแม่ทัพที่พระเจ้าเล็กซานเดอร์มาตั้งไว้เรียกเป็นภาษาบาลีว่าพระเจ้ามิลินทะนะภาษากรีกว่าเมนันเดอร์ทีนี้มิลินทะนี้ก็นับถือพระพุทธศาสนามากมีเรื่องราวว่าเป็นนักปราดได้ถกเถียง เรื่องทางปรัชญาแล้วมาเจอพระนากเกษน์แล้วก็มานับถือพุทธศาสนาก็บำรุงพุทธศาสนาเป็นการใหญ่แวนแคลนของกษัตริย์กรีกองเนี้ยก็ม <i> ีว <i> ัฒนธรรมกรีกสืบมาแต่โบราณเพราะกรีกนี่เขาชอบปั้นรูปเขารบจะเห็นได้ว่าในเมืองกรีกนี่เขาจะปั้นรูปเทพเจ้าซีอุสอะไรพวกนี้ใช่ฮะเทพเจ้าอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเนี่ยเขาชอบอันนี้ พอมานับถือพุทธศาสนาพวกกรีกนี่ก็อยากจะปั้นรูปพระพุทธเจ้าทีนี้ตัวเองไม่อยู่ใต้วัฒนธรรมอินเดียนี่ยตัวเองมีสายวัฒนธรรมของตัวเองก็เอาแนวความคิดของกรีกเนี่ยมาปั้นพระพุทธรูปขึ้นนีก็เลยเกิดมีพระพุทธรูปขึ้นเป็นครั้งแรกจากพวกเชื้อสายกรีกที่มาปกครองอยู่ในอินเดียเพราะฉะนั้น ก็จะมีพุทธรูปในยุคแรกๆเนี่ยเป็นศิลปะที่อยู่ฝ่ายตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอินเดี ย, ยเพราะว่าพวกกษัตริย์กรีกนี่ปกครองอยู่แถวนั้นนะโดยเฉพาะก็พวกศิลปะคันธาระนะคันธาระนี่ก็เป็นชื่อแคว้นของอินเดียหรือชมบูทวีปที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือนะซึ่งมีมาสืบมาแต่สมัยพุทธกาลอันนี้ก็ต้องการเล่าเพียงเรื่องของการเกิด พระพุทธรูปใช่ไหมก็แปลว่าที่พอกลีกเขาสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาก็เพื่อเป็นที่ระลึกแทนองค์พระพุทธเจ้านี่คติเรื่องการสร้างพระพุทธรูปก็มีเรื่อยมาทีนี้ก็สร้างไว้เป็นองค์แทนระลึกถึงพระพุทธเจ้าใช่ไหม น, น, นี้ก็คนที่มีกําลังก่อสร้างองค์ใหญ่ๆคนที่ไม่มีกําลังก่สร้างองค์ลงงงเล็กๆหรือคนที่มีกําลังมากๆอยากจะแจกเผื่อแผ่คนโน้นก่สร้างองค์เล็กๆแจกกันไปเยอะกันใหญ่คราวนี้แพร่หลาย ความนิยมเรื่องสร้างพุทธรูปเพกรีกมันนำแล้วคนนี้เอาใหญ่เลยเพอนับถือพุทธศาสนาแล้วนี่ใช่ั้ยอันนี้ต่อมาก็มีความคิดถึงว่าโอในอนาคตการเบื้องหน้าพุทธศาสนาเนี่ยอาจจะสูญสิ้นไปก็ได้เราจะต้องทำอะไรเป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าแต่ก่อนดินดินแดนนี้มีพระพุทธศาสนามั่นคงจเจริญอยู่ก็คิดว่าโอต้องสร้างสถูปและบรรจุ พ, พุทธรูปไว จะเป็นพระองค์ใหญ่บ้างเล็กบ้างเป็นพระเครื่องที่เราเรียกว่าพระเครื่องพระพิมอะไรต่างๆก็เลยเกิดมีคตินี้ขึ้นมาว่าสร้างสถูปบรรจุพระพุทธรูปใหญ่น้อยเพื่อไว้เป็นหลักฐานแสดงในอนาคตเมื่อพุทธศาสนาเสื่อมโทรมสูญสิ้นไปว่าได้เคยมีพุทธศาสนาเจริญอยู่ในดินแดนนี้อา้าวนี่ก็เป็นเหตุผลอีกอันหนึ่งขึ้นมาแล้วนะว่า ทำไมจึงมีการสร้างพระเครื่องกันใหญ่นี่ก็เล่าถึงเรื่องอดีตให้เห็นว่ามีความเป็นมาอย่างไรตอนนี้ก็เท่ากันได้สองอย่างละหนึ่งก็คือว่าเป็นสิ่งที่เครารพบูชาแทนองค์พระพุทธเจ้าแล้วก็ทําให้เตือนใจให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมคำสอนของพระองค์เป็นเครื่องเจริญศรัทธาทำให้จิตมีปิติอิ่มใจอะไรนี้นะน้อมจิตไปสู่ความสงบแม้จะใช้ในทางสมาธิก็ได้ เพราะว่าเราจะเริ่มบำเพ็ญสมาธิทําจิตใจให้สงบใจมันแกว้งนึกเรื่องโน้นเรื่องนี้เรามีสิ่งที่เคารพมีพุทธรูปอยู่กับตัวเราเรามองไปที่พุทธรูปเรานึกถึงแต่พระพุทธเจ้าอย่างเดียวแล้วนึกถึงพระคุณของพระองค์จิตใจเขาเราก็โน้มเข้าสู่ความสงบเป็นสมาธิตั้งมั่นนีนได้ประโยชน์เยอะแยะนะีแล้วก็มามีคติที่ว่าสร้างไว้บรรจุไว้เพื่อเป็นหลักฐานสแสดงว่าพุทธศาสนาเคยมีที่นี่ก็เลยนิยมกันมาเข้ามาสู่เมืองไทยแล้วก็ถือตามอย่างนี้มา ก็เด่นมากเรื่องพระพุทธรูปเนี่นีเรื่องนี้ก็เป็นมาเจกนกระทั่งการที่นับถือแทนองค์พระพุทธเจ้าเนี่ยมันก็ทำในแง่หนึ่งก็เกิดกำลังใจด้วยถ้าสำหรับมนุษย์ปุถุชนเนี่ยซึ่งยังมีความหวั่นไหวมีความหวาดกลัวอะไรต่างๆใช่มก็เมื่อมีสิ่งที่ระลึกแล้วก็ทำให้จิตใจนี้เกิดกำลังขึ้นมาหายกลัว เรื่องนี้แม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ตรัสแต่ตอนนั้นไม่มีพุทธรูปนะในยุคพุทธกาลยกตัวอย่างพระสูตรหนึ่งเรียกว่าทัชชคสูตรพระภิกษุจำนวนหนึ่งไปอยู่ในปา่านะไปบำเพ็ญสมณธรรมนะไปเจริญภาวนาอะไรของท่านก็แล้วแต่ทีนี้เกิดความกลัวนะในเรื่องว่าบางทีเทวดาก็มาแกล้ง เทวดาเนี่ยมีทั้งดีทั้งร้ายนะฮะแต่ว่าบอกแล้วนะเทวดาด้วยจะเคยพูดหรือยังไม่ทราบอาจจะยังไม่ได้พูดก็ได้เรื่องเทวดาในพุทธศาสนาถือว่าเทพต้องต้องไม่เหนือธรรมธรรมะต้องเหนือเทพนะในหลักพุทธศาสนาต้องจําไว้ให้ดีหลักการว่าธรรมต้องเหนือเทพทีนี้เทวดานี่แกก็มีกิเลสอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วนะแกชอบยกทับรบกันลงไปดูสิเทวดา ในตำนานฮินดูไม่ว่าเกลียกว่าฮินดูอินเดียประเทศไหนก็ตามอ่ะตำนานเทวดาชอบยกทับรบกันแย่งคู่ครองกันปราบปรามกันมีโลภะโทสะมากโมหะเยอะเทวดาเนี่ยก็เหมือนมนุษย์แหละเป็นแต่ว่าเป็นระดับที่มีกำลังมีอำนาจมีความดีในส่วนอื่นพอสมควรคือโดยเฉลี่ยแล้วถือว่าเทวดาเนี่ยสูงกว่ามนุษย์ แต่ก็ยังอยู่ในระดับที่มีกิเลสมมุทีก็มากนะเพราะว่าโอกาสมนุนนะหรือความฮึกเขิมใจเมื่อมีไอ้ตัวความมีกำลังอำนาจก็ทำให้ยิ่งฮึกเขิมเพราะนั้นตำนานเทวดาไม่ว่าประเทศไหนโดยเฉพาะอินเดียเนี่ยจะมีเรื่องราวที่รบราค่าฟันกันมากแล้วก็ทีนี้ว่าถึงเกี่ยวกับพระสงฆ์ไปปฏิบัติธรรมในป่าบางทีเทวดาก็โกรธไม่พอใจ ไม่พอใจอะไรเช่นว่าไอเราอยู่ดีๆเนี่ยมีพระมาอยู่ในถินนี้แล้วเราก็ต้องคล้ายๆว่าเกรงใจอ่ะเพราะพระนี่ประพุทีปฏิบัติชอบนอยู่ในธรรมะนี่ยอยู่ในธรรมะก็ไปทาอะไรท่านไม่ได้ก็ตัวเองก็ต้องระวังตัวขึ้นรู้สึกทำอะไรมันไม่ได้สบายใจอึดอัดเทวดาก็เลยแกล้งเนี่ยมาหลอกมานิลมิดรูปอะไรต่างๆให้หน่ากลัวพระก็กลัวเพราะยังเป็นปุถุชนอยู่ อันนี้แม้แต่ว่าเทวดาไม่หลอกพระไปอยู่ในป่าอย่างนั้นบางทีก็กลัวเองใช่ไหมเนี่ยาป่าลึกๆนี่ปุถุชนมันก็ต้องกลัวแหละใช่ไหมฮะกลัวผีกลัวอะไรก็แล้วแต่ทีนี้ก็มากราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสทัชกสูตรว่าเมื่อไปอยู่ในป่าในดงในที่น่ากลัวนั้น ก็ให้มีหลักปฏิบัตินะอย่างน้อยให้มีหลักยึดเหนี่ยวจิตใจไว้เนี่ยเรื่องยึดเหนี่ยวจิตใจก็ต้องพูดกันอีกว่ายึดเหนี่ยวอย่างไรเป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันเดี๋ยวนี้เอามาใช้พูดมากกว่าศาสนาเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจถ้าศาสนาเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเท่านั้นแล้วก็ไม่ต้องมีพุทธศาสนาเอาเดี๋ยวต้องอธิบายกันทีหลังทีนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าเนี่ย เรื่องเคยมีมาแล้วภูตปุพพังพิกขเวภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วนะพระ อ, องค์ก็เล่าตำนานของอินเดียว่าเทวดาก็อาศุนรบกัน น, นี่เห็นไหมนี่ เ, เรื่องเทวด า, าแล้วเทวดาพระอินทร์นี่ก็จอมนักรบนะรบกับอาศุนนี่เป็นประจําเลยนะเทวดากับอาศุนก็ยกทัพรบกันตอนนี้เทวดาก็ มีทั้งเทวดาหุนหน้าแม่ทัพเทวดาลูกน้องนะเทวดาพวกพลทหารฝ่ายอสูรก็เช่นเดียวกันเมื่อรบทับกันนะพวกลูกน้องพวกพลทหารของเทวดานี่ก็มีความหวาดกลัวเหมือนกันนี่ใช่ไหมรบกันพวกอสูรนี่ไม่ใช่ย่อยนะอสูรนี่เขาเรียว ก, กว่าปุ่พระเทวดาเทวดาเก่าเหมือนกันก็เป็นนักรบกล้าหารเหมือนกันทีนี้รบกันก็เมื่อเกิดความหวาดกลัว พวกเทวดาที่เป็นรีพนนี้ก็จะมองดูธงของแม่ทัพธงของพระอินธงของรพระพชาบดีธงของพระอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นแม่ทัพใหญ่ๆ <c oughs> พอมองดูธงแล้วก็เกิดใจฮึกเหิมสู้ใช่ไหมเนี่ยมนุษย์บุตรชนก็อย่างเงี้ยต้องมีอะไรมันเชียใช่ไหมแม้แต่ว่านักกีฬาไปสู้ในสนามอ่าก็ยังต้องอาศัยกองเชียใช่ไหม ปลุกใจขึ้นมาเนี่ยมนุษย์ปุตชนเป็นอย่างนี้อันนีพ้พวกทหารเทวดาก็เช่นเดียวกันก็มองดูธงของแม่ทัพก็เกิดใจขึ้เขิลนะมีกำลังสู้พระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกกันนี่นะเนี่ยตัวพระอินทร์เองเทพประชาบดีเองและเทพเอื่นๆที่เป็นแม่ทัพทั้งหลายเนี่ยเขาเองเขาก็ยังมีกิเลสมีความกลัวมีความหวาดเสียมีความสะดุ้ง แล้วทหารเขาไปยังนึกถึงตัวเทวดาเหล่านี้เขาก็ยังฮึกเหิมมีกําลังใจสู้หายหวาดกลัวหรือบรรเทาความกลัวลงแต่นี่พระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์เนี่ยหมดกิเลสแล้วไม่มีความกลัวเหลืออยู่เลยนี่เพราะฉะนั้นท่านไปอยู่ในป่าถ้าเกิดความหวาดกลัวให้ระ ล, ลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์ เขานึกถึงแม่ทัพเขาซึ่งยังมีกิเลสตัวแม่ทัพเองก็ยังกลัวเขายังมีกำลังใจนี่เราพระสงฆ์เนี่ยนึกถึงพระพุทธเจ้าซึ่งไม่มีกิเลสไม่มีความหวาดกลัวเลยเนะี่ยก็จะมีกำลังใจหายหวาดหายกลัวนะแล้วก็ต้องระลึกอย่างที่ว่าธรรมนั้นเหนือเทพถ้าเราอยู่ในธรรมแล้วไม่ต้องกลัวอะไรนะก็อันนี้ก็เป็น เครื่องช่วยที่จะทําให้พระภิกษุที่ไปปฏิบัติธรรมในป่านี่หายกลัวนี่การระลึกถึงพระพุทธเจ้ามีความหมายแบบนี้ขึ้นมาแล้วใช่ไหมก็มีความหมายในเชิงกําลังใจหายกวาดให้กลัวก็กลายเป็นแบบที่เขาเรียกว่าที่พึ่งทุงยึดิเหนียวจิตใจโดยเฉพาะยามที่ขวัญเสียยามที่เสี่ยงภัยอันตรายใช่ไหมอันนี้แค่ระลึกถึงพระเจ้าคุณที่ไม่มีวัตถุอยู่นก็เป็นหลักมีอยู่แล้วทีนี้ ในเมื่อเรามีวัตถุรูปเคารพก็ยิ่งเป็นสื่อใหญ่เลยใช่ไหเป็นสื่อที่เห็นชัดๆนะไม่มีพุทธรูปเป็นวัตถุใจต้องไปนึกเอาแต่นี่มีเป็นวัตถุมองเห็นเลยเอาเลยใจก็นึกขึ้นมาก็พอใจนึกขึ้นมามีจุดเริ่มต้นวัตถุอยากนี่มันทำให้มีที่เกาะที่จับของจิตได้ดีขึ้นใช่ไก็จะทำให้ใจมั่นแล้วเกิดกาลังใจได้นะี่อันนี้แหละครับ นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่โยงเข้ามาหาอันนี้ก็เป็นความหมายขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญนะซึ่งมันชักจะใกล้กับความหมายที่ใช้ปัจจุบันนี้แต่ต้องระวังนะเนี่ยทำไงจะแยกได้ว่าความหมายของพุทธศาสนาเนี่ยอยู่ในขอบเขตแค่ไหนนะและความหมายที่มันจะผิดพลาดอยู่แค่ไหนตรงนี้ต้องทาความเข้าใจให้ดีนะมาถึงจุดที่เฉียดกันแหละ แต่อย่างไรก็ตามขอย้อนกลับไปเล่าถึงเรื่องของความเข้าใจและการปฏิบัติต่อเรื่องพระพุทธรูปโดยเฉพาะพระเครื่องในสมัยโบราณก็สืบกันมาในเมืองไทยเนี่ยในความหมายต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมก็มีการที่ว่าเมื่อมีการสงครามใหญ่ๆอะไรต่างๆเนี่ยแม้แต่องค์พระเจ้าอยู่หัวก็จะมีการนําพระพุทธรูปไปเป็นกําลังใจเนี หรือว่าแม้แต่จะออกทัพก็นําทหารเข้าไปในโ บ, บสถ์ใช่ไหมไปกราบไหว้สักการะพุทธรูปใช่ไหมเกิดกําลังใจนะแต่ว่าการใช้พุทธรูปในสังคมไทยก็ยังอยู่ในขอบเขตใช้ในยามโดยเฉพาะศึกสงครามเนี่ยเพราะตอนเวลานั้นต้องการกําลังใจ เ, เวลานั้นจิตใจวอกแวกวันไหวมีความหวาดกลัวอะไรเนี่ยก็เอามาช่วยไปมาอันนี้ว่าโดยทั่วไปก็ไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญ แต่ว่าการที่บรรจุไว้เพื่อเป็นเครื่องหมายของการมีพุทธศาสนาในสมัยอดีตเนี่ยก็เป็นคติมาแต่โบราณแพร่หลายอันนี้จะเล่าถึงคตินี้ที่ว่าสืบมาในระยะใกล้ๆเนี่ยถอยหลังไปประมาณร้อยปีนี่ผมก็มานึกถึงหลวงพ่อของผมเองหลวงพ่อที่เป็นอุปชาเมื่อผมบวชเนหลวงพ่อไว้ากลางนะเจ้าคุณเมธีธรมรมศาอั น, นี้ท่านก็เป็นพระที่ เรื่องลือกันว่าขลังมากนะท่านก็สิ้นไปเมื่ออายุในเราเก้าสิบตอนนี้ก็ร้อยกว่าปีแล้วอันนี้ท่านก็เล่าถึงชีวิตเมื่อเด็กๆท่านเล่าให้ฟังที่วัดบานกลางซึ่งเป็นวัดที่ผมบวชเนี่ยเป็นวัดที่มีชื่อในเรื่องพระคุนแผนใช่ไหมเคยได้ยินไหม พระคุนแผนวัดบางกลางนี่แหมถือว่าเป็นพระขลังนะอันนี้หลวงพ่อเนี่ยท่านก็อยู่ที่นั่นมาตั้งแต่เด็กๆ เ, เลยท่านเคยเป็นเด็กวัดอ่เราจะได้ดูว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขามองพระขลังของคนสมัยปัจจุบันนี้อย่างไรท่านบอกท่านเป็นเด็กๆ เ, เวลาอยู่มาอยู่มากรุกที่บรรจุพระเครื่องต่างๆเนี่ยมันก็แตก ใช ม, มันก็มีการหักการพังอันนี้ไม่มีใครเอาใจใส่ถ้าบอกเนี่ยพระเครื่องไว้บางกล่าวสมัยก่อนที่เรามานิยมพระขุนแผนขุนเผอสมัยหลวงพ่อมันยังเด็กๆวิ่งกันอยู่เนี่ยบอกก็ไม่มีใครเอาใจใส่หรอกนะและ้วท่าก็วิ่งเล่นกันกับเพื่อนๆวัดบางกล่างนะั่นอยู่ริมน้ําเป็นธรรมดาวัดในสมัยโบราณก็อยู่ริมน้ําท่านั้นเพราะว่าชุมชนนั้นตั้งอยู่ในที่ที่ใกล้น้ํา การคมนาคมและการทำอาชีพการอยู่กินปัจจัย4ี่โดยเฉพาะน้ำต้องอาศัยแม่น้ำอันนี้ตอนเป็นเด็กๆท่างก็เล่นกันเด็กนี่ชอบอย่างหนึ่งก็ชื่อชอบแม่น้ำชอบเล่นน้ำถึงไม่ลงน้ำก็เอาอย่างใดอย่างหนึ่งกบแม่น้ำก็คือว่าเวลาเช้าๆหรือตอนใดตอนหนึ่งก็ไปกอ บ, พ, บพักเครื่อง ที่กลุที่แตกเนี่ยนะซึ่งสมัยนั้นยังใหม่ๆดีๆทั้งนั้นนีแล้วก็มาที่ริมฝั่งแม่น้าแล้วก็มาคว้างกันนีว่าใครจะคว้างไกลกว่ากันเนีเนี่ยเล่นกันมาอย่างงี้บอกท่านบอกว่าสมัยนั้นไม่มีใครเอาใจใส่อ่ะเนี่ยเป็นของเล่นสําหรับเด็กเด็กไม่รู้เรื่องเลยเอาพระเครื่องเนี่ยพระขุนแผนบางกลางพิมพ์เดี่ยวพิมพ์คู่เอามาคว้างลงในแม่น้ํา ถ้าจีนแม่น้ำสุพรรณที่อยู่หน้าวัดเนะี่ยซึ่งสมัยก่อนนี่ยังไม่มีประตูน้ำกันนะ้นหน้าน้ำก็ น, น้ำมากหน้าแรงก็ น, น้าน้อยจนบางแห่งก็เดินข้ามได้ก็มาขว้างกันว่าใครได้ขว้างได้ไกลกว่ากันจนกระทั่งว่าสมัยหลังๆเนี่ยคนจึงมาถือเรื่องขลังเรื่องอะไรใช่แล้วตอนขลังนี้ทีนี้หมดแล้วเพราะว่าคนรุ่นก่อนๆรุ่นหลวงพ่อนี่ไม่รู้ว่าขว้างหมดไปเท่าไหร่ และแต่แล้ ว, ลวพอเหลือมารุ่นหลังๆก็คนรุ่นหลังพอเริ่มชอบในเรื่องแงกคลังก็มาเอากันไปก่อนตอนหลังนี่เหลือแต่เศษตอนผมไปบทเนนนะยังลงไปในกลุกุ่นี่นะไม่ใช่อยู่เสมอดินนะข้างในนี่ขุดลึกลงไปใต้ดินโอ้ลงไปเราก็ต้องกระโดดลงไปนะในนั้นเราพระเยอะแต่แ ต, แตกทั้งนั้นไม่มีองค์ดีเลยหาไม่ได้เลยในกลุเยอะไปหมดมีแต่องค์แตกคนเก่าๆเขาเก็บดีไปหมดแหลนะก็ได้แต่องค์แตก ทำไงก็หากันก็ในวิธีหนึ่งที่จะหาก็คือไปเดินตามริมฝั่งแม่น้ําหลายคนเลยไปได้พระขุนแผนเต็มเลยเพราะว่าในน้ํานั้นเป็นพวกโครนเลนใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ในสภาพดีผมไปได้มาองค์หนึ่งมีริ้วรอยตําหนินิดเดียวเนี่ยจากเดินที่ริมฝั่งแม่น้ําโอ้เราก็เลยอ้อนี่ที่หลวงพ่อเรา อาจจะเป็นองค์ที่หลวงพอ่อจัดว้างก็ไม่รู้นะฮะนี่เดี๋วก็ไปเดินกันตามริมฝั่งสมัยนั้นนี่ก็เวลาฤดูแล้งก็น้ําก็น้อยหน่อยก็ได้มาแล้วก็องค์นี้ต่อมาผมก็ไปติดใจมากก็ให้พี่ไปนนี่ส่วนท่านอื่นๆก็มีท่านที่ไปได้จากเดินไปตามริมฝั่งแม่น้าเนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องเก่าที่เห็นว่า ตอนหลังเนี่ยความนับถือในแง่ของความขลังมีมากขึ้นนี่ตอนต่อมานี่สมภารเจ้าวาดหลังจากหลวงพ่อแล้วเนี่ยท่านชอบเรื่องทําพระเครื่องให้แก่ผู้คนไม่เหมือนหลวงพ่อหลวงพ่อนี่ท่านไม่เอาท่านจะทําเฉพาะแล้วก็ให้แก่ลูกศิษย์ลูกหาที่ท่านเลือกสรรแล้วหรืออะไรทํำนองนี้ ซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าคติที่เกี่ยวกับหลวงพ่อซึ่งหลวงพ่อเองเนี่ยคนเขาเรื่องลือกันว่าขลังเหลือเกินแต่ตัวท่านปฏิบัติตัเรื่องนี้อย่างไรเป็นเรื่องที่เราควรจะเข้าใจทีจนี้ท่านพระครูหลังจาหลวงพ่อนี่ท่านเอามาทำซะมากมายนี้ท่านก็ไปหาพิมพ์องค์ที่สมบูรณ์มาใช่ไหมแล้วก็ทําเป็นแม่แบบไว้ตอนแรกท่านก็ไปเอาขนเอาพระที่แตกๆที่อยู่ก้นกลุนเนี่ยเอามาบดแล้วก็ ใช้พิมพ์นี้ก็แปลว่าพิมพ์เต็มแต่ใช้ดินเก่าดินจากองค์พระเครื่องเก่าก็เป็นของแท้เหมือนกันใช่ไหมแต่ของแท้มีแต่ ห, กหกักๆก็มาใช้พิมพ์เนี้ยก็ใช้เนื้อจากของแทเนี่ยมาพิมพ์ต่อมารุ่นนั้นหมดก็ต้องใช้เอาดินอื่นแล้วทีนีนะ้รุ่นหลังๆนี่ไม่มีและแม้แต่ดินเก่าก็ไม่เหลือนะีอันนี้ก็เป็นเรื่องความเป็นมาต่เดิม นี้ก็วนกลับไปเล่าถึงว่าสมัยก่อนไปอันว่าในสภาพอย่างนี้ก็เขาก็ไม่ค่อยเห็นความสำคัญของเรื่องของพระเครื่องอะไรที่คนรุ่นหลังนี่นิยมว่าขลังแล้วก็มาตื่นมาหากันมากมายนะทีนี้ต่อมาในะระยะหลังๆเนี่ยเมื่อมีความตื่นกันมากแล้วเนี่ยก็ถึงกับการมีการทาขึ้นมาแล้วก็ มีราคาตั้งราคาว่าขนาดไหนพิมพ์อย่างไหนเนื้ออย่างไหนราคาเท่าไหร่จนกระทั่งมันชักจะกลายเป็นการซื้อขายก็มีคนใช้ศัพท์ใหม่ขึ้นมาคำหนึ่งเรียกวพุทธพาณิชย์นี่เป็นศัพท์ยุคหลังเหมือนกันนะซึ่งยุคสมัยก่อนนี่ไม่มีเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าศึกษาว่าเป็นมาอย่างไรนจากจุดที่ว่าหลวงพ่อท่านเป็นเด็กแล้วท่านไปคว้างเล่นกันะนะ มาสมัยต่อมามันกลายมาอย่างไรจรึงกลายเป็นเรื่องของการซื้อขายแม้กระทั่งว่าไม่เอาของเก่าที่มีในกลุก่แต่ว่ามาทําขึ้นใหม่นี่ก็เท่าที่พอจะเราลึกความหลังไปได้จากที่ผมบวชมาก็มาเชื่อมต่อยุคแรกๆเนี่ยน่าจะเป็นว่าในเมื่อกรุกแตกเป็นต้นแล้ว นัคนเริ่มมีความนิยมอย่างน้อยก็อยากก็มีพระไว้เป็นที่ระลึกใช่ไหมอย่างน้อยก็สวยงามนี่พระท่านทำไว้รูปร่างต่างๆขนาดต่างๆมีความสวยงามคนก็อยากจะได้ไว้ในเมื่อจึงหายากสมัยหลวงพ่อ น, นี่มากเกินไป <c oughs> ก็ไม่มีใครติดใจใช่ไหมจะเอาเมื่อไรก็ได้ความที่รู้สึกเอาเมื่อไรก็ได้ก็ไม่เอาใจใส่ก็เอาไปเล่นกันทีนี้พอร่นน้อยเข้าจะเห็นคุณค่าแม้แต่ไม่มองในแง่ขังสักสิทธิ์ก็มองในแง่ว่าโอนี่เป็นของหายาก ความงดงามแทนองค์พระพุทธเจ้าก็มีค่าในตัวเองอันนี้พระเนี่ยท่านอยู่กับวัดท่านก็เป็นผู้ที่สามารถที่จะไปเอาพระเครื่องเหล่านี้มาถ้าอาจจะเก็บมาไว้เนะี่ทีนี้ก็เออคนที่มาวัดนี่ก็แจกแจกกันไปนะีใครมาวัดก็แจกไปแจกไปต่อมาไม่น้อยลงก็มันนึกว่าเออเราจะแจกใครดีถ้าแจกเรื่อยเปื่อยไปของมีน้อยเดี๋ยวก็หมดสิ ต้องหาทางแจกให้ได้ประโยชน์มากขึ้นก็ต้องมานึกว่าเออคนไหนที่เขามีศรัทธาเป็นคนดีสิน่าแจกใช่ไหมฮะอ้าวชักจะมีเกณฑ์ขึ้นมาแล้วต่อมาก็มานึกว่าเ อ, อ๊ะยังไงลราที่มีศรัทธามากเออคนไหนเวลาเขามาบํารุงวัดเนะี่ยถวายปัจจัยสี่หรือว่าเขามาช่วยบริจาคสร้างโน้นสร้างนี่เราก็ให้ไปซะนะีจะได้เป็นประโยชน์แล้วก็เราก็รู้จักเลือกคนที่ควรจะให้อตอนนี้ก็ชักจะ มีการให้กับคนที่มีศรัทธาจ่อาจจะชักจะมีไ ป, เ, ปเงินเป็นบริจาคแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าตอบแทนนะคือหมายความวาเราจะแจกอยู่แล้วแต่ว่าจะแจกกับใครดีก็ควรจะเลือกคนที่จะแจกก็เลือกแจกกับคนที่มีน้ําใจศรัทธาเป็นคนดีต่อมาต่อมาแล้วก็อาจจะต้องมีการแยกว่าเออคนนี้ศรัทธามากก็ให้องค์สวยๆหน่อยองค์นี้ศรัทธาน้อยก็ไปให้คนทั่วๆไป นะองค์ใหญ่องค์เล็กอะไรก็ต้องชักแบ่งขึ้นเรื่อยๆทีนี้ต่อมาเอ้มันชักจะกลายเป็นธรรมเนียมละสิทีนีนะ้ถ้าบริจาค ก, ก็จึงให้ทําไมบริจาค ก, ก็ไม่ให้เอาละสิใช่ไหมความรู้สึกเป็นของตอบแทนชักเกิดแหลนะต่อมาพระที่แจกของเดิมหมดแล้วทีนี้ทําไงเกิดค่านิยมอยากได้พระ ในเวลาบริจาคของชักรู้สึกเหมือนได้ตอบแทนแล้วสิทินี้ใช่ไหมเกิดเป็นค่านิยมแล้วเป็นความรู้สึกหรือจะเป็นธรรมเนียมเอาแล้วสิทินี้พระเคยมีพระเครื่องแจกตอนนี้หมดกลุแล้วทําใหม่สิทินีนะทาใหม่แจกสิทินี้ทําไปทําไปเอก็เลยกลายเป็น ทำเนียมไปเลยตอนหลังนี่แล้วคนไปบริจาคชักจะต้องเป็นแรงจูงใจแหละต้องมีแรงจูงใจว่าเออท่านจะแจกให้อันนี้แล้วไปบริจาคไม่บริจาคด้วยศรัทธาและด้วยความมีจิตเสีย ส, ะสะละซะแล้วใช่ไหมแต่กลายเป็นหวังผลตอบแทนหรือแรงจูงใจอยากได้อันนั้นจึงไปบริจาคนี่ความเสื่อมเริ่มเกิดเลยต่อมาก็ พระที่ดีก็ไม่ได้รู้ตัวก็แจกแบบนี้ก็กลายเป็นธรรมเนียมนี่พระไม่ดีก็มีด้วยสิทีนี้จะหาเงินแล้วเอาละสิทีเขาอยากจะได้เราก็ทาแล้วนอกจากว่าทาเอาเงินเข้าวัดพระที่ดีก็อาจจะไม่ได้คิดมากแต่ก็ไม่ถูกต้องอยู่นั่นแหละใช่ไหมแต่คิดในแง่ว่าเออเรามาสร้างประโยชน์ส่วนรวมนี่มาสร้างวัดวาอารามอ่าก็มีของแจกเป็นของตอบแทนสมนาคุณให้กับญาติโยมที่บริจาค ก็สร้างพระเครื่องขึ้นมาหรือแม้ตลอดพระบูชาก็แล้วแต่ต่อมาพระที่ไม่ได้คิดเอาเงินเข้าส่วนรวมเข้าวัดหรือสร้างกุฏิวิหารเสนาสนะของวัดละ่ะคิดหาเงินเข้าตัวเลยทีนี้เนะีเอาและสร้างพระขึ้นมานะีคราวนี้ก็ยิ่งไปกันใหญ่จนกระทั่งเด๋ยวนี้นะเป็นใบโฆษณาลงหนังสือพิมพ์นะีเป็นใบปลิวก็มี บรรยายสสพคุณพระนี่เนื้ อ, อยางนี้ขนาดยางนี้นะมีครังในทางนี้นะราคาเท่านั้นอะไรต่างๆกลายเป็นสินค้าเลยนี่เขาเรียกว่าพุทธภาณีชจริงๆความเสื่อมได้เกิดขึ้นมาตามลำดับสมัยก่อนไม่มีมูลค่าราคาเป็นเงินเป็นทองเป็นเรื่องของนามธรรมาเป็นเรื่องทางจิตใจนี่ผมเล่าประวัติให้เห็นว่ามันมีความเป็นมาอย่างไรนะเข้าใจว่าคงจะพอเห็น ที น, นี้ถ้าเราไม่คิดถึงความหมายการปฏิบัติของคนโบราณสักบ้างเราจะเสียหลักเราอาจจะนึกว่าคนโบราณเขาก็ทําอย่างนี้ไม่มีเลยเรื่องที่จะเอามาแลกเปลี่ยนเป็นเงินเป็นทองอ้าวผมจะเล่าไว้แค่นี้ก่อนสําหรับวันนี้เพราะว่าใช้เวลาไปมากแล้วเราก็จะมาค่อยโยงเข้าหลักลอีกทีหนึ่งว่ามีหลักปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างไรนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ขอตัดตอนเล่าอาดีต แค่นี้ก่อนมีอะไรสงสัยเฉพาะช่วงนี้ไหมครับท่นานผู้นำอาจารย์ครับ ก, การทำหนังสือธรรมะแบบนี้จะเป็นเ ง, ไงไื่อนการทรรําพระเครื่องแจกเม้งงก่อนอคือวัตถุประสงนะอ๋กอก็ถ้าหากว่าถ้าพระเครื่องสื่อธรรมะนี่ก็อาจจะมีความหมายบ้างแต่ว่ามันไม่เหมือนกันเดียเพราะว่าหนังสือธรรมะนี่มันเป็นความจำเป็นในการที่จะเอาตัวหลักคําสอนไปถึงว่าทําไงแล้วก็ ต้องไม่ขายใช่ไหมทีนี้ว่าในการที่ไม่ขายนี้เป็นได้เฉพาะเราที่เป็นต้นเรื่องแต่ว่าสำหรับชาวบ้านเขาไม่สามารถจะอยู่ได้เราก็อยู่ที่ว่าเราจะมีนโยบายอย่างไรบางสำนักก็บอกไม่ยอมขายเด็ดขาดใช่ไหมให้พิมพ์แจกอย่างเดียวแต่ว่าถ้าเรามองใ น, นแง่ประโยชน์กว้างขวางการที่จะแจกไปเนี่ย มันจะอยู่ในวงแคบอย่างยิ่งคนจำนวนมากทีเดียวเนี่ยจะไม่ได้รับหนังสือเหล่านี้เลยใช่ไหมทีนี้ก็ต้องอาศัยกิจการของยุคสมัยมาก็้ อ, อยู่ที่ว่าเจตนาเราเป็นไงเรามีเจตนาหาผลประโยชน์หรือเปล่าใช่หมถ้าหาผลประโยชน์ก็ไม่ถูกต้องแต่ทีนี้ว่าถ้าเป็นเรื่องของการที่ว่าเราต้องอาศัย การเผยแพร่นี้โดยอาศัยมือหรือกิจการของชาวบ้านแล้วชาวบ้านเขาเป็นอยู่เขามีกิจการถ้าเราไม่ไม่ถือเรื่องนี้ก็ให้โอกาสเขาแต่เราก็ต้องระวังว่าถ้าเขาตั้งใจผลประโยชน์จริงๆเราอาจจะไม่เอาอเหมือนอย่างที่นี่เคยมีบริษัทที่มาเขาติดต่อมาเลยขอจะพิมพ์ใช่ไหมแล้วถ้าหากว่าเรายอมก็คือเราต้องได้ค่าลิขสิทธิ์ ไ ม, ไม่เอาเนพอเมื่อมีค่าลิขสิทธิ์แล้วเราก็ถูกจํากัดสิใช่ไหมทีนี้หนังสือนี่เราต้องการเผยแพร่ใครอยากพิมพ์พิมพ์ใอยากได้เงินพิมพ์แล้วได้เงินก็เอาไปแต่ว่าเราตามดูบ้างอย่าให้เห็นกับผลประโยชน์เกินไปเพราะนั้นที่นี่ก็ใครอยากพิมพ์พิมพ์ใช่ไหมไม่มีค่าลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้นก็จะมีการพิมพ์วันเกิดวันแต่งงานงานศพได้มาก นี่ถ้าเราไปให้บริษัทเอกชนปั๊บเขาจ่ายลิขสิทธิ์มานี่เราไม่มีสิทธิ์แล้วนะ <c oughs> นี่เราต้องการให้ใครอยากพิมพ์ก็พิมพ์เพราะเราต้องการการไปแพร่เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ให้มีเรื่องค่าลิขสิทธิ์ดังนั้นก็ญาติโยมอยากจะพิมพ์ก็เลยพิมพ์ได้ง่ายงานศพงานอะไรเนี่ยงานศพแล้วมากที่สุดใช่ก็พิมพ์ก็ตามสบายแต่ว่าการพิมพ์เฉพาะงานศพ งานศพหนึ่งก็ได้ขอบเขตหนึ่งจำกัดจํากัดใช่ไหมทีนี้คนที่เขาตามอ่านหนังสือเนี่ยเขาจะไม่มีโอกาสไปทุกงานถูกไหมถ้าคืนเราไปใช้วิธีนี้และคนที่สนใจจริงๆไม่มีโอกาสแล้วเขาจะไปที่ไหนจะมาพล่้งมาที่นี่อย่างเดียวเราก็คงตามพิมพ์ไม่ไหวเหมือนกันแล้วเราก็ไม่มีเวลาที่จะยุ่งด้วยแล้วเราก็ปล่อยว่าใครอยากจะพิมพ์ขายก็พิมพ์ไปใช่ไหมใครจะหากําไรบ้างตามสมควรเพราะกิจการของ ข, องข้าราชกาก็ทําไป แล้ว ก, ก็กลายเป็นโอกาสให้คนที่เขาต้องการศึกษาก็ตามหารได้แต่ว่าพระเครื่องนี่ก็ถ้าจะให้ถูกต้องก็ต้องต้องทำแจกเพราะว่าโบราณนั้นไม่มีเรื่องมูลค่าเป็นเงินเป็นทองถ้าจะมีเป็นเงินเป็นทองบริจาค ก, ก็แบบที่ว่าต้องระวังต้องหนึ่งเจตนาต้องระวังให้ดีที่สุดมีอะไรอนะีกไหมครับ ไม่ทราบเขาเผด็จว่าคุณมีความวิสัอย่างไรก่อนการที่ใช้ชื่อพระพิซ่านะครับคารุคีลานี่เป็นตัวอยา่างไทยริมที่หน้านอย่างเมื่อซึ่งที่จริงมันก็ผิดหลักการโลสอาณาโดยตรงอยู่แล้วก็ไม่ทราบว่าใครทัานคิดขึ้นมาอันนี้ผมไม่ได้ได้ศึกษาตามเป็นมาเก่าเพราะเป็นเฉพาะจุดไม่ใช่เรื่องของหลักการใหญ่ก็เลยไม่ได้ไ ม, ไ, ดไม่ทราบประวัติ ที่อย่างพระธานที่ที่เขาบรรจุบรรจุะอย่าเียมันจะพระธานุพระบรมศารีริก่านเยอะขนาดที่ที่จะบรรจุไปเรอยะครับองประเทศไทยเนี่ยก็ถ้าวันไ็นจะดีเที่บรจุบรรจุพระบรมสารีิกธาตุนี่พูดถึงเฉพาะพระบรมสาีิกานะก็หลายสิบแห่งก็เลยไม่ทราบวันจริงๆเนี่ยก็ถ้าเป็นของแท้เดิมเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้แต่ทีนี้ก็มีความเชื่อการที่เรียกว่า คลายบางคนก็ถือเชื่อถือขนาดว่าพระธาตุนี้งอกได้และเกิดเพิ่มได้แต่ว่าถ้าจะเอากันอย่างคล้ายก็ต้องเอาองค์เดิมซึ่งจะมีได้เฉพาะที่สำคัญจริงๆเห็นมหายากมากเพราะฉะนั้นจึงมีปูชนียสถานที่สำคัญของประเทศนีฮยที่ถือว่าเป็นที่บรรจุพระธาตุแต่เดิมถูกไครับซึ่งจะประชาชนและ ทางบ้านเมืองก็จะให้ความสำคัญแก่พระธาตุหรือพระเจดีย์นั้นมนาะส่วนองค์อื่นก็เป็นรองรองลงไปอ้าวอย่างนั้นก็เอาไว้คุยกันค่ำนี้ต่อ